วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดมกราคมพุทธศรรักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาของที่เลิศที่ประเสริฐที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ของที่เลิศที่ประเสริฐที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือวิมุตติวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้วิมุตติกับท่านทั้งหลายได้นอกจากที่พระพุทธศาสนาเท่านั้นและการที่ท่านทั้งหลาย จะได้รับวิมุตติท่านก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบวิมุตติเป็นบุคคลแรกเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่จะสอนให้เราเข้าถึงวิมุตติได้ และให้เชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงวิมุติได้นี่คือศรัทธาที่เราจำเป็นที่จะต้องมีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ไม่ควรจะมีศรัทธาต่อผู้อื่นถ้าเราต้องการวิมุติเรื่องอย่างอื่นนี้มีศรัทธาได้แต่เรื่องวิมุตตินี้ต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะว่าไม่มีผู้ใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยระดับไหนมาก็ต่างจะไม่รู้ ว่าวิมุตตินี้อยู่ที่ไหนและจะได้วิมุตติได้อย่างไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้ที่รู้ว่าวิมุตติอยู่ที่ไหนและวิธีที่จะได้วิมุตตินี้ได้มาอย่างไรดังนั้นถ้าเราต้องการวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่เรากําลังเพอแญนันอยู่ในขณะนี้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะหมดสิ้นไปจากใจของพวกเราได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่าศึกษา จากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวกุกดีทั้งสองแหล่งนี้เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้กับเราได้สำหรับพระพุทธเจ้าเองนี้พระองค์ท่านก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่พระองค์ได้ทรงฝากมรดกอันล้ำค่าวไว้ทำหน้าที่แทนพระองค์ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ที่ได้มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นแหล่งที่เราสามารถจะศึกษาเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติได้ถ้าเราไม่สามารถหาพระอริยสงสาวกมาสั่งมาสอนเราได้ขอให้เราเข้าหาพระไตรปิฎกดีที่สุดปลอดภัยที่สุดถ้าเราไปศึกษากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคล น, นี้ เราจะไม่ได้วิมุตติเพราะตัวผู้สอนยังไม่ได้วิมุตติเราจะมาสอนให้ผู้อื่นได้วิมุตติได้อย่างไรต้องไปศึกษากับบุคคลที่ได้วิมุตติแล้วถ้าเราต้องการหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่สามารถหาพระอริยสงสาวกเพื่อศึกษาวิมุตติจากท่านได้เราก็ต้องไปหาจากพระพุทธเจ้า หาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีการเข้าถึงวิมุติพระสูตรที่สำคัญก็คือธรรมจักรกับประวัตนาสูตรอันนี้จะแสดงภาพรวมให้เรารู้ว่าว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไร ใครเป็นคนสร้างความทุกข์ให้กับเราและการที่เราจะดับความทุกข์ได้นี้เราต้องใช้ลายเป็นเครื่องดับ<ม><ม>ตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่พาราให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ก็คือก oh ิเลสตัณหาโมหะอวิชชาและการที่เราจะทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้เราก็ต้องใช้มรรคมรรคคือเครื่องมือ นั่นก็คือทางปฏิบัติปฏิมัชฌีมาปฏิปทาทางสายกลางการดับทุกข์หรือการพ้นทุกข์นี้มีมนุษย์เหล่านี้คิดค้นหามากันทุกยุคทุกสมัยแม้แต่พวกเราเองก็ค้นหาวิธีดับทุกข์กันด้วยกันวิธีที่ใช้กันดับทุกข์ใน ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในยุคที่ไม่มีมัจจิมาปฏิปทา<ม>ก็ใช้วิธีดับทุกข์ด้วยการหาความสุข<ม>หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายดับทุกข์ด้วยใช้ด้วยการใช้กามาสุข<ม>กามาสุขก็คือเนี่ยเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปงานเลี้ยงกันไปจัดปาร์ตี้กัน<ม>ไปกินไปดื่มกัน ไปซื้อของรูหรากันไปเที่ยวถ่ายรูปที่นั่นที่นี่กันเพื่อคลายความเบื่อความเสงความเบื่อความเสงก็เป็นความทุกข์อยู่บ้านเฉยๆอยู่ไม่ได้บ้านจะใหญ่โตขนาดไหนหรู้ราขนาดไหนเป็นถึงมหาราชวงังก็อยู่อยู่ไม่ได้เพราะใจมันทุกข์ใจมันไม่มีความสุขมันต้องออกไปหาหนู่นหานี่เพื่อที่จะได้กาจัดความทุกข์ แต่วิธีกำจัดความทุกข์แบบนี้มันเป็นการกำจัดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวพอกลับมาเข้าบ้านความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิมก็ต้องออกใบอยู่เรื่อยๆออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยู่เรื่อยๆออกไปหาลาบยศสรรเสริญหาของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสพมาอะไรกันไปวันๆหนึ่งเพื่อบรรเทาความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจ น, นั่นเองแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนอกจากไม่มีวันหมดแล้วมันกลับสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมีมากขึ้นไปอีกเพราะมันจะทำให้ติดกับการวิธีกำจัดความทุกข์แบบนี้ถ้าตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก้ความทุกข์ด้วยวิธีแบบนี้ใหม่พอกลับมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีวันจบสิน้นนี่คือวิธีหนึ่งของการดับทุกข์การเข้าหาวิมุตติแต่ไม่มีวันที่จะเข้าถึงวิมุตติได้ถ้าใช้กามาสุขเป็นเครื่องดับความทุกข์อีกพวกหนึ่งก็คิดว่าการที่เราจะดับความทุกข์ได้เราต้องเอาชนะความทุกข์ทางกายให้ได้ด้วยการทรมานกาย ด้วยวิธีต่างๆจะยืนนานๆไม่นั่งยืนยืนขาเดียวอะไรทำนองนี้ยืนตากแดดหรือ น, นั่งบนที่ที่นั่งที่มีของแหลมคมให้มันเจ็บบางคนถึงกับการใช้มีดของคมมาบาดมามาเฉือนร่างกายมาทิ่มแทงร่างกายต่างๆเพื่อให้เกิดความทุกข์และเพื่อที่จะได้ ฝึกให้อยู่เหนือความทุกข์นี้ให้ได้<ม>แต่ทำเท่าไหร่ความทุกข์มันก็ไม่หมดไปเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย<ม>ความทุกข์มันอยู่ที่ใจ<ม><ม>นี่คือสองวิธีที่มนุษย์เราใช้ใช้มาในการดับทุกข์กันในการหาวิมุติกันแต่ไม่มีใครหาได้วิมุตินี้ไม่ได้เกิดจากการใช้กรรมาสุหรือใช้การ ทรมาร่างกายม า, มาดับความทุกข์ทางใจอ่างที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมจากกับปวัตตนสุขทรงสอนว่าจงหลีกเลี่ยงการใช้วิธีสองวิธีนี้ในเป็นการดับทุกข์เพราะการมาสุขก็ดีการทรมานสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายก็ดีไม่ใช่เป็นวิธีที่จะเข้าถึงวิมุตติเข้าถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ วิธีที่จะทำให้เราเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นวิธีของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี่นี่แหละคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้องเดินทางนี้ทางเดียวทางนี้มีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันเรียกว่ามัรกแปดมารกแปลว่าทาง แปดก็คือองค์ประกอบของมรรคนี่มรรคนี้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ก็มีองค์ประกอบหลายส่วนเช่นมีล้อมีเบรกมีเครื่องยนต์มีพวงมลาลัยมีที่นั่งอะไรตํำนองนี้นี่คือองค์ประกอบของรถยนต์องค์ประกอบของรถยนต์คือมรรคที่จะพาให้เราไปสู่วิมุตตินี่ก็มีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกัน องแรกเรียกว่าสัมมาทิฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรความเห็นที่ถูกต้องก็คือความทุกข์ของเรานี้เกิดจากเหตุสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งเกิดจากการกระทำบาปต่างๆถ้าทำบาปแล้วใจของเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีประการที่สองความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก อยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเรียกว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหล่อเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ข้อที่สามคือความอยากไม่จนความอยากไม่ไม่แก่ไม่เจ็บเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องดับไปสองตัวนี้ให้ได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาลด้วยการไม่ทำบาลดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงด้วยการระงับความโลภความโกรธความหลงอันนี้ด้วยการใช้ใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ ความอยากอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดทุกข์เพราะว่าเราทําให้มันสุขไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเราทําให้มันเที่ยงไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับนี่คือสามมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องต้องมีความเห็นอย่างนี้ให้รู้ว่าสาเห ต, ตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็มีสองแหล่งด้วยกัน เกิดจากการกระทาบาปสองเกิดจากการมีความอยากต่างๆต้องยุติความอยากต้องยุติการกระทำบาปข้อที่สองของมรรคที่เรียกว่าสัมมาสังกปคุคือความดำริหรือความคิดชอบคิดอย่างไรถึงจะคิดว่าคิดที่ถูกก็คิดอย่าทาบาปนั่นเองคิดลดละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ อันนี้ก็คือองค์ที่สองต้องคิดอย่างนี้คิดอยู่เรื่อยๆต่อไปนี้จะไม่ทำบาปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเพณีจะไม่พูดปดจะไม่โกหกหลอกลวงและจะไม่ดื่มชุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันด้วยเที่ยวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเที่ยวเตมีความเกลียดค้านกบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตร ต้องคิดเลิกคบกับคนเหล่านี้เลิกการกระทําเหล่านี้เลิกไปบ่อนไปซ่องไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้เลิกหาความสุขทางจากอบายมุขแล้วก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกรักทรัพเลิกประพฤติผิดประเพณีเลิกโกหกหลอกลวงต้องคิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าการคิดที่ถูกต้องแล้วก็เลิกลดละความอยากต่างๆลดเลิก เล at, ิกการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นดนทลดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรนทลดความอยากมีอยากเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็อีกไม่กี่เดือนก็จะมีการวิ่งเต้นกันแล้วหาเสียงกันแล้วอยากเป็นนั่นเป็นนี่กันขึ้นมาแล้วเลิกอยากไปอยากเป็นอยากมีมันเป็นทุกข์เวลาหาเสียงก็ทุกข์เวลาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาได้ก็ทุกข์ ทุกเพราะว่าจะต้องคอยดูแลรักษาของที่ได้มากังวลว่าจะหมดไป mm hmm. ก็ทุกทุกทั้งนั้นมีก็ทุกไม่มีก็ทุกได้ก็ทุกไม่ได้ก็ทุกอย่าไปอยากมีอยากเป็นอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าอยู่ตามมีตามเกิดดีกว่า mm hmm. นี่คือองค์ประกอบของมรรคที่สองสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะ ต้องการวิมุตติได้วิมุตตินี่ต้องคิดแบบนี้คิดจะรักษาศีลคิดรักษาศีลคิดลดละความอยากกิเลสตัณหาต่างๆแล้วก็มาข้อที่สามมรรค์ที่สมก็คือสา ม, มา ก, กัมมันโตการกระทำที่ที่ถูกต้องคืออะไรก็คือการไม่ทำบาปนี่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเพณี การไม่เสพอบายยมุกต่างๆอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ทั้งขึ้นมาได้แล้วข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็คือไม่พูดปลดหนึ่งไม่พูดโกหกหลอกลวงแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่พูดคำหยาบด้วยไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียเวลา เรื่องที่เป็นสาระดีกว่าพูดเรื่องธรรมะดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องนินทากาเลคนนั้นคนนี้คนนั้นรวยอย่างนั้นคนนี้จนอย่างนี้คนนั้นมีแฟนกี่คนอย่าไปพูดให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ดับความทุกข์ในใจเราได้ให้พูดแต่ความจริงถ้าพูดความจริงแล้จะไม่เกิดความทุกข์ถ้าพูดโกหกเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพูดคำหยาบ ก, ก็ ก็จะเกิดความทุกข์ได้เพราะคนเขาที่เขาฟังแล้วเขาไม่ชอบเราเขาก็จะโกรธเกลียดเราเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจยได้่นี่คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีพูดคำวาจาที่ไพเราะพูดความจรงิง<ม>พูดคำสุภาพเรียบร้อยพูดสิ่งที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์พูดให้รักกันสามัคคีกัน ไม่ใช่พูดให้ยุโยงแตกแยกกันเกลียดกันโกรธกันนี่เรียกว่าองค์ประกอบของมรรคองค์ที่สี่คือสัมมาวาจาเราทุกคนต้องพูดกันทุกวันยั้นให้เราพูดในกรอบนี้พูดความจริงพูดคาสุภาพพูดสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มีสาระพูดที่จะทำให้คนเขาละ ก, กันสามัคคีกันไม่ใช่เกลียดชังกัน ไม่พูดไปยุโยงให้คนทขาเกลียดชังกันแล้วก็ไปทําร้ายกันนี่คือสัมมาวาจาแล้วข้อที่ห้าองค์ที่ห้าพวกเราทุกคนต้องมีอาชีพเลี้ยงชีพกันก็ให้มีอาชีพที่ไม่ไปเปียดเบียนผู้อื่นสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพอาชีพที่ไม่ไปทําให้พูดเสียหายเดือดร้อนโดยตรงหรือทาง อ, อ้อมเช่นขายสุรายาเมา อันนี้ผู้ซื้ออาจจะไม่ได้เสียหายแต่ผู้ซื้อที่ไปดื่มแล้วเดี๋ยวเมาแล้วไปขับรถ<ม>ก็ไปชนคนอื่นตายได้หรือตัวเองก็เกิดอุบัติเหตุตายได้<ม>อย่าไปทำอาชีพที่จะทําทให้เกิดความเสียชีวิตสูญเสียชีวิตไม่ ว, ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอาชีพที่ทางตรงก็คือเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าเหตุเป็ดไก่เอง<ม>ไปจับปงจับปลามาฆ่ามาขาย อันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะมันเปียกไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้นแล้วมันก็อาจจะย้อนกลับมาหาเรา น, นี่คือสามอาชีพธ ร, รมอาชีพที่มีคุณมีประโยชน์เช่นเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าขายอาหารขายย า, ยานี้ขายปัจจัยสี่ของเหล่านี้มีคุณมีประโยชน์ต่อการนำลงชีพมีอาชีพเหล่านี้ได้ นี่คือข้อข้อที่ห้าสำมาอาชีวต้องมีอาชีพที่ถูกต้อง mm hmm. ข้อที่หก mm hmm. ให้มีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็ mm hmm. ข, ขยันอะไรล่ะก็ ข, ขยันละบาบนี่ ข, ขยันละบาบ mm hmm. ข, ขยันกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจ mm hmm. ด้วยการจเจริญสติ mm hmm. ข้อต่อมาก็สติ mm hmm. สัมมาสติคืออะไรก็คือการระลึกรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจไปคิดฟุ้งซ่านไ้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธก็ได้ระลึกรู้อยู่กับพุทโธก็ได้หรือระลึกรู้อยู่กับการกระทาของร่างกายก็ได้แปลว่าร่างกายจะทำอะไรเข้าดูไปตลอดเวลาไม่ให้ใจนี้ห่างไกลจากร่างกายเลย ให้ใกล้ชิดอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเพราะถ้ามีสติได้ก็จะมาสามารถสร้างมรรคองค์ที่แปดได้ก็คือ ส, สัมมาสมาธิคือการทำใจให้สงบนิ่งเป็นอุเบกขาสัมมาสมาธิก็คือใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขาถ้าใจสงบนิ่งแล้วไม่อยู่เฉยๆ เอาไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ไปละลึกชาติได้ไปคุยกับเทวดงเทวดาได้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิจะไม่สามารถสนับสนุนสัมมาทิฏฐิสัมังสังโปในการกําจัดความอยากต่างๆในการละการกระทํำบาปได้อันนี้ก็คือพระสูตรที่สําคัญของชาวพุทธเราพระสูตรอันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้กับพระปัญจวัคคีในวันแผ่นเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชาหลังจากที่ทรงสแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกณทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นอนิจจงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเราจะต้องดับ เป็นอนัตตาไม่มีใครมาทำให้มันไม่ดับไม่ได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องดับร่างกายของพระอัญญาณโกนธัญญะก็ต้องดับแต่การยอมรับความจริงอันนี้จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความดับของร่างกายนั่นเองอนี่คือประสุทธที่เราควรจะศึกษากันถ้าเราไม่สามารถหาพระอริยบุคคลที่จะมาสอน วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับเราได้เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยหาศึกษาจากพ<ม>ระไตรปิฎกพยายามศึกษาพระสูตรนี้<ม>อย่าอ่านแต่ภาษาบาลีภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาของเราอ่านแล้วไม่เข้าใจมไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องอ่านภาษาที่เขาแปลมาจากบาลีที่จะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้อย่างนี้มีการแปล พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นภาษาต่า ง, างๆมากมายเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติเขาจะไม่สามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่เนื่องจากว่ามีผู้ที่สนใจและเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสั่งคําสอนก็เลยศึกษาและแปลภาษาจากภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนาแต่นั่งเดิม มาเป็นภาษาของตนเองชาวเยอรมันก็แปลเป็นภาษาเยอรมันชาวอังกฤษก็แปลเป็นภาษาอังกฤษชาวฝรั่งเศสเขาก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสล้วชาวไทยเราก็แปลเป็นภาษาไทยอ่านภาษาไทยดีกว่าอ่านภาษาไทยแล้วเข้าใจอ่านภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดปัญญาต้องเกิดความเข้าใจถึงจะเกิดปัญญาได้ บางคนไปคิดว่าขังต้องอ่านภาษาบาลีถึงจะขังไม่จริงหรอกอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านไปทําไมต้องอ่านภาษาที่เรารู้เรื่องเราเข้าใจว่าเราจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้นั่นเองนี่คือพะสูตรอันแรกที่แนะนําถ้าเกิดเราไม่สามารถหาพระอริยะบุคคลเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ก็เอาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าใน เนี่ยในในพระไตรปิฎกคัดเอามาไม่กี่พระสูตรก็พอพระสูตรแรกนี้ก็คือเนี่ยธรรมจกกักรกบวตนะสูตรวิธีปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสู่การดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทางสู่วิบุติเนี่แล้วถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ไปศึกษาอันต่อไปก็ได้เรียกว่าอนัตตลกนะสูตร แต่ลักกันสุดก็จะแสดงรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีนี่แหละขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็คือร่างกายของเราเวทนาก็คือความรู้สึกต่าง ๆ, ๆสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความนึกคิดต่าง ๆ, างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบงังคับไม่ได้ เราต้องหัดอยู่กับมันให้ได้เวลาเกิดทุกขเวทนาก็ต้องหัดอยู่กับมันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้ทุกขเวทนาหายนี่เป็นการสร้างความทุกขไม่ใช่เป็นการดับความทุกขการดับความทุกขหรือการทําให้ไม่ให้มีทุกขก็คือการที่ยอมรับกับความเป็นธรรมชาติของของขันห้านี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องรับยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น เวทนาจะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับมันหลังขันวิญญาณมันจะนึกคิดไปในทางใดก็ยอมรับมันไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ น, นี่คืออนัตตาอนัตตลักษณะสุรถ้าเห็นก็จะได้ปล่อยวางขันห้าได้และอีกส่วนหนึ่งก็คืออธิเตยะสูตรนี่ก็สอนเรื่องอายตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะ กับธรรมารมณ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของที่มาเชื่อมกันตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสร่างกายสัมผัสกับโฏฐุพะนจใจสัมผัสกับธรรมารมณ์ให้รู้ว่าของเหล่านี้ก็ไม่เทียมเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสปุพะอ่ะ ทำอารมณ์ก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกทิ้งกายก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งเหล่านีน้ต้องรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะความยึดความติดจะทำให่อยากให้มันอยู่พอมันไม่อยู่ก็จะทำให้ทุกข์ได้นั่นเองแล้วก็อีกพระสอนึงที่สำคัญอันนี้ก็คือสติปัฏฐานสูตรนะพระสอนี้จะสอนวิธีจเจริญสติจเจริญปัญญา ว่าจะทํำยังไงทําให้เรามีสัมมาสติแล้วเมื่อมีสัมมาสัมส ม, มาสติแล้วจะได้นั่งสมาธิให้เกิดส ม, มาสมาธิขึ้นมาได้แล้วเมื่อได้ส ม, มาสมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วก็จเจริญปัญญาเพื่อระรูปเวทนาจิตนี่ก็คือรัขันห้านี่ลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมอารมณ์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สำคัญที่จะแจงรายละเอียดให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไปตามลำดับเพราะสำคัญก็คือศึกษาแล้วต้องปฏิบัติควบคู่กันไปถึงจะเข้าใจศึกษาแล้วถ้ายังไม่ปฏิบัติจะไม่ค่อยเข้าใจอันนี้สำคัญมากพระสูตรนี้เป็นตัวที่สอนรายละเอียดของการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาองค์ประกอบที่สาคัญของมรรคอันนี้ คือแหล่งของธรรมะที่เราจะเข้าหาได้ถ้าเราต้องการวิมุติต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องเข้าหาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราโชคดีเราได้พบกับพระอริยบุคคลหรืออย่างน้อยได้เข้าถึงคำสอนของท่านตัวของท่านเองอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่คำสั่งคำสอนของท่านก็ยังมีบันทึกไว้อยู่ ในหนังสือบ้างในในเครื่องอัดในในแถบอัดเสียงชนิดต่างๆบ้างแล้วเรารู้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลรู้ได้อย่างไรก็รู้ว่ากระดูกของท่านนี้ตากลายเป็นพระาธาตุไปเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แอนปูบาอาจารย์ต่างๆลงมาถึงหลวงตาหม า, าบูวกระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุทั้งนั้นนี่แสดงว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุด เป็นพระอาหารหันต์ท่านเป็นผู้ที่รู้วิมุตติเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงรู้คําสอนของท่านก็สอนเพื่อให้เราได้เข้าถึงวิมุตติถึงแม้ท่านจะจากพวกเราไปแล้วเราก็ยังสามารถเข้าศึกษาคําสอนของท่านได้เดี๋ยว น, นี้คําสอนของท่านก็มีการบันทึกเอาไว้ในในเครื่องบันทึกแบบชนิดต่างๆกัทนที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าเรามีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนี้ เราเพียงแต่ค้นหาชื่อของท่านก็จะเข้าไปพบกับคำสั่งคำสอนทั้งที่เป็นตัวอักษรและทั้งที่เป็นเสียงฟังนั้นเราก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีคือศรัทธาความเชื่อเชื่อในสามคนนี้ท่านสามแหลงนี้ท่าน เชื่อในพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็เชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งคำภีรมันมากเกินไปเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนหลายระดับด้วยกันระดับทั่วไประดับที่ยังไม่เข้าถึงวิมุติอย่างอย่างสิอย่างร้อยเปอร์เซนสารมิตีอยู่กันอย่างโล่งเย็นเป็นสุขสารมิตี อยู่กันแบบไม่มีความทุกข์ต่างๆในระดับของผู้ครองเรือนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะต้องการวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ต้องเข้าหาพระสูตรเหล่านี้ที่ได้แจ้งมาให้ท่านได้ฟังไว้แค่สี่สามสี่พระสมสี่พระสูตรนี้ก็เหลือเฟือเหลือกินเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติอย่างน้อยศึกษาไว้ก่อนก็ดีแล้วถ้าเราไป ได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้อื่นของภาพ ร, รูปอื่นเราจะได้เอามาเปรียบเทียบดูว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ถ้าท่านสอนไม่ถูกต้องเราก็จะได้รู้ว่าออท่านยังไม่บรรลุท่านยังไม่รู้ความจริงเราก็จะได้ไม่ต้องไปหลงทางไปกับท่านเอามาเรียนรู้จากแหล่งที่ที่รู้จริงก่อนที่ของจริงก่อนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า พระรูปใดอาจารย์รูปใดถ้าไม่สอนมรรคแปดนี้หรือสอนมรรคแต่ไม่ครบแปดองค์นี้แสดงว่าสอนไม่ถูกละ mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนมรรคแปดแล้วลูกศิษย์ของพระุทธเจ้าดันไปสอนนอกรูปนอกทางก็แสดงว่าไม่ใช่ทางต้องสอนมรรคแปดเหมือนกันหมด mm hmm. นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อมั่นในคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า หรือเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระอริยบุคคลทั้งหลายเมื่อเชื่อแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราก็ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่าท่านสอนให้เราทำอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเช่นเราต้องเจริญมากแปดเราก็ต้องมาเจริญมากแปดกันะ ถ้าเราถ้าเราจเจริญไปเรื่อยๆเราก็จะได้สัมผัสกับวิมุติทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนวิมุตินี้ไม่ได้เกิดทันทีทันใดร้อยเปอร์เซนเลยเหมือนกับแสงสว่างของดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์อยู่ดีๆไม่ไม่โผล่ขึ้นมาเต็มดวงเลยก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละเสี้ยวทีละเสี้ยวไปค่อยๆสว่างไปทีละเล็กทีละน้อยจนใ น, นที่สุดพอถึงวันขึ้นสิบห้า่ก็สว่างเต็มดวง วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นมันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาในแต่ละดับในแต่ละชั้นสำหรับที่ผู้ที่เป็นค า, ารว่านี้ท่านต้องสอนให้เราปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือข้อทานมรรคแปดนี้คือสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาสาีนคืออะไรก็คือสัมมากรร ม, ามโตสัมามาวาจาสัมามาชิวะ อันนี้คือองค์ประกอบของศีลองค์ประกอบของสมาธิก็คือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ประกอบของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปะอันนี้ท่านสอนผู้ที่ได้ทําบุญทําทางหมดแล้วไม่มีเงินทองเหลืออยู่แล้วคือพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองแต่พวกที่เป็นครารวะผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ ยังใช้เงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่ก็ต้องสอนให้เอาไปดับทุกข์ด้วยวิธีการทำบุญทาทานอย่าเอาไปดับทุกข์ด้วยการซื้อการมาสุขมาเสกอย่าเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรถซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นทั้งหลายมาเสกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับทุกข์วิธีดับทุกข์ด้วยเงินทองก็ดับทุกข์ด้วยการทาบุญทาทาน ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือสนับสนุนองค์กรที่มีคุณค่าเช่นพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระพระสงฆ์องค์เจ้าให้มีสถานที่ศึกษาและปฏิบัติให้มีปัจจัยสี่คืออาหารบินตบาน ท, ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและจีวรเครื่องนุ่งห่มนี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ที่ อ, อกบวชผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติเพื่อให้ดุดพ้นจากวิมุติถ้าเราอยากจะทำใช้เงินทางให้เกิดประโยชน์ใช้เงินทางมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจคือความหงุดหงิดความนำคานใจอยากการไม่ได้ทำอะไรถ้าอยากจะทำอะไรก็ไปทำบุญแทนอย่าไปเที่ยวอย่าไปกินไปดื่มเพราะมันจะเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะถ้าเที่ยวกินแล้วดื่มมันก็จะติด ก็ต้องเที่ยวกินอยู่เรื่อยๆพอเงินทองไม่พอก็ต้องไปหาเงินมามาเที่ยวต่อแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทีนี้ก็เดือดร้อนอาจจะไปต้องไปทําบาปมาก็ได้นี mm ่ hmm. งั้นอย่าเอาเงินทองไปดับความทุกข์ของเราด้วยการไปซื้อกำ ม, มาสุขเอาเงินทองเราไปทําบุญทําทานเพราะเวลาเราทําบุญทําทานใจเราจะเลเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเลยความสบายใจขึ้นมาดับความทุกข์ในระดับของ ความอยากจะใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ถูกได้อันนี้คือสำหรับผู้ที่ยังมีเงินทองผู้ที่ยังใช้เงินทองเป็นเครื่องดับความทุกข์ของเขาอยู่ก็ให้ใช้เงินทองมาดับความทุกข์ใจด้วยการทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันแล้วใจก็จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นการได้วิมุติขั้นแรกขั้นของทาน แล้วเมื่อเราทําทานได้แล้วเราก็จะมีจิตใจที่เมตตากรุณาคนที่ทําบุญทําทานนี้เป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นมีความกรุณาความสงสารในความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะทําให้สามารถมารักษาศีลได้โดยที่ไม่ยากเย็นอะไรต่างกับคนที่ไม่ทําบุญทําทานนี้จะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เมื่อไม่มีความเมตตากรุณาการที่จะรักษาศีลก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเวลาอยากจะทําอะไรให้ใหตนเองถ้าต้องทําผิดศีลก็ยินดีที่จะทําสําหรับคนที่ไม่มีความเมตตากรุณาแต่คนที่มีความเมตตากรุณาทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆนี้เวลาที่จะไปทําอะไรให้กับตนแต่ต้องไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่กล้าทําจะไม่อยากทํา ก็จะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติคนที่มีความเมตตากรุณาทมบุญทาทานอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่อยากฆ่าสัตว์จะไม่อยากรักทรัพย์จะไม่อยากประพฤติผิดประเพณีจะไม่อยากโกหกหลอกลวงจะไม่อยากเสพจุย า, า, ายามลและอาบายมุกต่างๆอันนี้การการปฏิบัติเพื่อวิมุตตินี้มันเป็นไปเป็นขั้นๆตามกำลังของผู้ปฏิบัติ ถ้าเป็นผู้เริ่มต้นเป็นเหมือนเด็กอนุบาลก็ต้องไปเรียนชั้นอนุบาลก่อนอยากข้ามขัน้นเพราะมันยากขัน้นขั้นต่ํายังทําไม่ทําไม่ได้แล้วจะไปทําขั้นสูงได้งไงมถ้ายังติดกับการดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองไปซื้อความสุขมาอันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีดับความทุกข์ด้วยการไปทําบุญทำทานแทน ถ้าทำได้ไดแล้วต่อไปก็จะสามารถขึ้นไปดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้เพราะคนที่ทำบุญทำทางนี้จะมีความเมตตากรุณาจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นจะทำอะไรก็จะคิดอย่างรอบคอบก่อนว่าทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าถ้าเบียดเบียนก็จะไม่ทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่า ก็จะไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงยุคนี้เป็นยุคโกหกหลอกลวงอนุญาตอยู่ระหว่างมือถือของเราเนี่ยเป็นช่องทางที่เขาจะเข้ามาหลอกลวงเราเปล่อยเข้ามาปับ๊บเดี๋ยวก็มีของล่อใจล่อตาแล้วคุณได้เงินได้รางวัลแล้ววิธีขึ้นเงินรางวัลโอนเงินมาก่อน หลอกไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวถ้ามีความโลภ ค, ความอยากก็ไย้ดีใจอยู่ดีๆก็มีคนให้เงินให้ทองเราก็เลยโอนเงินไปให้เขาทันทีพอเงินไปเสร็จปั๊บเขาก็หายหัวไปเลยตามตัวไม่ได้ยุคหลอกลวงระวังให้ดีแต่เราเป็นชาวพุทธเราไม่หลอกลวงใครเพราะเราเห็นผลของการหลอกลวงว่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียใจให้กับผู้ บางคนผู้อื่นถูกหลอกลวงมากๆก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายก็มีงั้นถ้าเราเป็นคนมีศีลเราจะไม่หลอกลวงใครพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้การไม่พูดความจริงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกถ้าเราบอกพูดไม่ได้นี้ไม่เป็นการโกหกเขาถามอะไรแล้วเราบอกเราตอบไม่ได้ไม่อยากตอบขอขอไม่พูดดีกว่าในธรรมนองนี้ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการโกหกเป็นการบอกว่าไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้กันแล้วกันท่านั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกแต่อย่างใด<ม>แล้วจะทำให้คนอื่นเขาไม่เสียหายเดือดร้อนถ้าเราไปโกหกเขาเดี๋ยวเขามาทราบในภายหลังเขาก็อาจจะเสียใจ<ม>ว่าเขาเชื่อเราแล้วเรามาโกหกเขาก็าจะทำให้เราเสียเครดิตไปต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อเราเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะ แต่เนื้อแกะนี่พอโกหกครั้งแรกเขาก็เชื่อกันโอนมาช่วยกันใหญ่แต่พอครั้งที่สองโกหกอีกครั้งมาทีนี้เขไม่มาเพราะรู้ว่าโกหกเขาครั้งที่สองเขาก็ไม่มาแล้วดั mm hmm. งนั้นความสัตด์จากความจริงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาวาจาของเราให้มันศักดิ์ส mm ิทธิ์ยคนที่เขาเชื่อเราก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าเราไม่โกหกเขา mm hmm. แต่พอเราไปโกหกเขาแม้แต่เพียงครั้งเดียว ต่อไปเขาจะไม่เชื่อเราอีกต่อไป <Yeah. S 1> นั้นต้องรักษาวาจาไว้สวัจะวาจา <Yeah. S 1> มีศีลคนที่มีความคนที่ทำบุญทำทานมีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนี้จะเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น <Yeah. S 1> ก็จะทำให้การรักษาศีลห้านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายเวลารักษาศีลห้าได้อะไรจะเกิดขึ้น ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเราก็จะได้สัมผัสวิมุติอีกระดับหนึ่งวิมุติระดับแรกเราได้จากการทําบุญทําทานวิมุติระดับที่สองเราก็ได้จากการรักษาศี่ทาไม่กระทําบาปต่างๆแล้วพอเรารักษาศี่ทได้แล้วทีนี้เราก็จะมีกําลังที่จะขึ้นไปรักษาศีล8ต่อไปได้ รักษาห้าข้อได้แล้วอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นอะไรสามข้อนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเพราะเพราะให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรช่นศีลข้อสามก็เปลี่ยนจากการเมการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยทำไมต้องไม่ร่วมหลับนอนกันเพราะการร่วมหลับนอนจะทำให้เราเสียเวลาไม่มีเวลาที่เราจะมาดับความทุกข์ใจในระดับของการภาวนา ในระดับของการทําสมาธินั่นเองเราก็เลยต้องหยุดยุดติกิจกรรมทางกามไปร่วมหลับนอนกันก็หยุดกินอาหารเพื่อความสุขก็ต้องหยุดกินอาหารเพื่อรักษาร่างกายได้อยู่แต่กินไม่มากกินแค่มื้อเดียวก็พอหรือกินไม่เกินเที่ยงวันนี่คือข้อหไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่ไปหาความสุขอจากการร้องราทําเพลง มันเบหาความสุขจากการดูภาพยนตร์ดลูละครอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากทางตาหูจมูกเล่นกายไม่หาความสุขจากการเ ส, รสวยความงามของร่างกายอันนี้เพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับเรื่องราวเหล่านี้มาสร้างความสุขหรือมาสร้างวิมุติในระดับของภาวนาต่อไปคือการไปฝึกสติไปนั่งสมาธินั่นเองการจะฝึกสติการนั่งสมาธิได้จะต้องมีเวลา ถ้าเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็จะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบ <weighted> ัต <rush> ิธรรเลยก็จะไปมีอะไรล่ะก็เพราะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหมดถ้าไม่ไปทำก็อไปนอนเวลานอนก็เลยต้องนอนให้น้อยสินข้อที่แก็คือให้นอนน้อยน้อยวิธีนอนน้อยน้อยก็คืออย่าบนนอนอย่าบนอย่าบนอย่านอนบนเตียงสำราญเตียงที่สุขที่สบาย ให้นอนบนเตียงที่ไม่สุขไม่สบายเช่นเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นนอนกับพื้นเลยก็ได้ปูเสือ่อหรือปูผ้าก็พอถ้านอนบนที่แข็งๆนี้มันจะหลับไม่นานพอะร่างกายได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาพเพราะตืน่นแล้วมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อแทนที่จะนอน8ชั่วโมงก็นอนแค่ 4-5 ชั่วโมงก็พอเราจะได้มีเวลามาดับมาสร้างวิมุติในระดับของการภาวนา ของการจเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่ในมรรคแป้นี่เพียงแต่เราไม่ได้พูดถึงมรรคแปะเราพูดทูดพูดเป็นเป็นกลุ่มไปกลุ่มของสมาธิก็มีสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาวายามมความเพียรชอบเพียรอะไรที่เราชอบก็เพียรสร้างสตินี่เจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เดินตาขึ้นมาก็เริ่มใช้พุทโธพุทโธคอยสกัดความคิดต่างๆป้องกันไม่ให้ความคิดคิดขึ้นมาถ้าอยู่กับพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ดูดูอิรียบบทของร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคอยเฝ้าดูทุกกิเรียบบทตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ดูตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนก็ลัอยู่ท่านอนพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมานั่งพอยืนก็รู้ว่ากําลังยืน พอเดินก็รู้ว่ากําลังเดินให้อยู่กับมิริยาบทของร่างกายพอไปทากิจอะไรก็ให้รู้อยู่กับกิจที่กําลังทําอยู่อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวกวาดบ้านถู บ, บ้านซักเสื้อผ้าทําอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยจะต้องให้มีให้เฝ้าดูอยู่อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่กันไปเป้าหมายของการเจริญสติเพื่อละเพื่อระงับความคิดต่างๆ เพราะถ้าเราละงับความคิดไม่ได้เราจะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้เราจะไม่มีกำลังใจจะไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับความอยากได้จ<ม>ึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติ<ม>การจะเจริญสติได้ก็ต้องมีเวลาการจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดนี้ก็จะระงับไม่ไมไมให้ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะด้เวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีการเจริญสติอย่างทอต่อเนื่องจนสติเป็นสติสัมปะชัญญะแล้วเวลานั่งสมาธินี้จิตจะเข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็วภายในห้านาทีสิบนาทีก็เข้าได้พอจิตเข้าสมาธิแล้วจิตก็จะพบกับความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พอได้สมาธิแล้วทีนี้เรื่องการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันมันหมดนึกจะเพราะมันอ่อนกําลังไปเกือบจะหมดก็แล้วกันมันยังไม่หมดแ ต, แต่แต่เรานี่เมื่อมีความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทําให้เราอยากจะเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติเพื่อเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่า แต่ความสงบนี้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากที่จะไปหาความสุขที่เคยหาได้อยู่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราเผลอเราไม่มีสติควบคุมใจใจก็อาจจะไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายขึ้นมาก็ได้แล้วก็อาจจะเกิดความอยากที่จะไปทำก็ได้วิธีที่จะแก้ไมนะ่ให้มันไปหาความสุขจากความอยากจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างที่เคยเสพก็ต้องเจริญขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาเราต้องฝึกปัญญาสอนใจให้มองให้เห็นว่าความสุขทางโลกไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผพผะชนิดต่างๆนี้ล้วนเป็นอนิจจังถ้ามันเป็นอนิจจังมันก็ต้องเป็นทุกขังเพราะว่าอนิจจังก็คือว่ามันจะต้องมีวันหมดได้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส พอมันหมดไปมันก็ทําให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวได้ให้พิจารณาความไม่เที่ยงความสิ้นสุดของลาบยศสเสริญของลูกเสียงกิ่นรสถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราไม่กล้าไปเสพเพราะเราไม่พราะเราถ้าไปเสพมาแล้วเวลามันหมดไปนี้มันจะทําให้เราทุกข์แทนที่จะได้ความสุขกลับไปได้ความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุข แต่ความสุขที่เราได้มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ล้วก็ไม่เอาดีกว่ามัต้ odpow? <que> องพิจารณาตายรักอยู่เรืเร่อยๆมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของอนัตตาคือเราไม่สามารถไปทำให้มันเที่ยงได้ทำให้มนันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงจัดงานเลี้ยงไปตลอดไม่ได้งานเลี้ยงมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ จากลาบยศสารเสริญก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดลงมันก็จะทำให้เราทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้อเรื่อยๆแล้วเวลาที่เกิดความอยากที่จะอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะไปเสพลาบยศสรเสริญมันก็จะได้มีปัญญามาเตือนใจว่าอย่าไปนะไปแล้วจะต้องทุกข์ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ ด้วยหยุดความอยากได้อย่างถาวรต้องหยุดด้วยสมาธิและปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่มีกำลังรู้ว่าเป็นตายรังแต่ไม่มีอุเบกขาก็หยุดมันไม่ได้สมาธิมีอุเบกขาหยุดมันได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกมาจากสมาธิถ้าเผลอปล่อยให้ไปคิดทางความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หลอกให้ไป อยากได้แล้วถ้าไม่มีปัญญาสอนว่าการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสารเสวนี้จะทําให้ทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาสอนมันก็จะไปเลยเพออยากกินอะไรก็กินเลยอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มเลยอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็เอาเลยเพราะว่ามันคิดว่าเป็นความสุขนั่นเองแต่มันไปคิดว่าเวลาที่ไม่สามารถดูได้ฟังได้กินได้ดื่มได้จะทํำยังไง เห็นต่อไปร่างกายของเรามันก็จะต้องแก่ลงแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ จ, จะไปเที่ยวไม่ได้ออกไปกระโดดโรดเต้นไปเที่ยวเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวว่าทำกันไม่ได้แล้วเวลานั้นจะทำอะไรเวลานั้นก็จะซึมเศร้าจะทุกข์ถ้าซึมเศร้ามากๆก็ทุกข์มากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายน <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาถ้าเราต้องการที่จะกาจัด ปัญญาและสมาธิต้องใช้ทั้งสองอย่างขั้นต้นต้องฝึกให้ได้สมาธิก่อนให้ได้อุเบกขาก่อนเมื่อได้อุเบกขาเราจะมีกำลังหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญามาสอนใจว่าทำไมเราต้องหยุดความอยากทำไมเพราะว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็จะหยุดไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ ถึงแม้ว่าความอยากมันอยากจะได้มันพยายามผลักดันให้ใจไปแต่ถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธินี้เราจะหยุดมันได้เราจะสู้มันได้งนั้นการที่จะทำลายหรือหยุดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี้จาเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาปัญญาอย่างเดียวทำไม่ได้สุดตามายปัญญาอย่างเช่นตอนนี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่า ความอยากนี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเพราะสิ่งที่ความอยากอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราทำให้มันเที่ยงไม่ได้ถึงแม้จะรู้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดมันไม่ได้ไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้ถ้า ม, มีสมาธิก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ต้องมีสองอย่างควบคู่กันช่วยกันไปเหมือนมือซ้ายกับมือขวา เวลาทำอะไรนี้เรามักจะใช้สองมือถึงแม้เราจะถนัดมือใดมือหนึ่งก็ตามแต่เราก็ต้องใช้อีกมือหนึ่งมาช่วยสนับสนุนฉะ <Yeah. S 1> นั้นใดสมาธิกับปัญญาก็เป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาที่จะช่วยกันทำงานทำภารกิจคือกำจัดความทุกข์สร้างวิมุติให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจให้ได้ <Yeah. S 1> ต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญา <Yeah. S 1> และการสร้างสมาธิสร้างปัญญานี้ต้องแยกกันสร้าง สร้างทีละตัวก่อนเหมือนสร้างบ้านสร้างบ้านนี้เราไม่สร้างทีเดียวพร้อมกันหมดเราสร้างเป็นขั้นขั้นไปขั้นต้นเราก็ตอกเสาเข็มก่อนให้ให้ดินมันมีกำลังรับน้ำหนักแล้วค่อยลงลงฐานขึ้นเสาขึ้นหลังคาขึ้นอะไรต่างๆไปตามลำดับฉังนั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราก็ทั้งทำไปเป็นขั้นขั้นทจากขั้นฐานไปก่อน ถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองในในการดับความทุกข์อยู่ก็ต้องใช้ด้วยการทำบุญทำทานไปถ้าเรายังรักษาศิลไม่ได้ก็ต้องรักษาศินห้าให้ได้รักษาศินห้าได้แล้วเราก็ไปรักษาศินแปรักษาศินแปได้แล้วเราก็จะมีเวลาไปภาวนาะไปฝึกสมาธิฝึกสติพอเราได้ฝึกสติฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็สงบมีอุเบกขา ความมีอุเบกขาเราก็มีกําลังสู้กับกิเลสแล้วแต่เราต้องหาหาปัญญามาสอนมาบอกเราว่าทําไมเราต้องไม่ทําตามความอยากเพราะว่าปัญญาจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นพิษเป็นภัยมันเป็นทุกข์ต่อจิตใจเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าเราทําให้มันเที่ยงไม่ได้<ม>เช่นได้อะไรมาแล้วเราอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้ ไม่ม mm ีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นแฟนก็ให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยวเ <c oughs> ขาเปลี่ยนไปบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ร้ายขึ้นมาเวลาเขาก็ร้ายความสุขที่เขาให้มาก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์หรือเวลาที่เขาจะจากเราไปเราก็ห้ามให้เขาจากเราไปไม่ได้ mm hmm. เพราะเขาเป็นของไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเป็นของที่เราทำให้เที่ยงไม่ได้ให้เห็นสองอย่างนี้ เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วเราก็จะไม่สร้างทุกข์ขังให้กับเราแต่ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็จะอยากได้พอได้มาแล้วพอเขาเปลี่ยนไปเราก็จะทําให้เราทุกข์อันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเพราะว่าเขาเป็นอนิจจังทุกเพราะว่าเขาเป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว่ใจของเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดเลย พอหยุดความตาม่างความอยากได้หมดทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหมดไปทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็หมดไปตั้งแต่ระดับศีลศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องสร้างวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับใจของพวกเรามีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงแหล่งเดียวนั้นถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องม า, าหารพระพุทธศาสนา ไปที่อื่นนี้ไม่ไม่มีทางที่จะได้พบกับวิมุตติการหยุดพ้นจากความทุกข์กลับจะไปเจอความทุกข์เพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมีทางเดียวเท่านั้นทางสายกลางที่พบเจ้าได้สองคนพบที่สองเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งใครก็ตามถ้าเข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาปฏิทาได้ปฏิบัติไ ด, ได้ก็สามารถเข้าถึงวิมุตติได้ ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นค า, า, ารวาสหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรวยหรือคนจนคนที่มีการศึกษาสูงเป็นด็อกเตอร์หรือคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญส ำ, ญสำหรับการเข้าถึงวิมุตติในทางพระพุทธศาสนาประเด็นสำคัญก็คือ มีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่มีแล้วศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกหรือไม่ก็คือดำเนินตามมรรคแปดที่พระเจ้าได้สรงดำเนินไปหรือไม่ถ้าสามารถเดินดาเนินมรรคแปดได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาได้หรือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชโว ส, มมสัมมาสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ก็าสามารถเข้าถึงวิมุติการดุดพ้นจากความถูกได้ฉะนั้นทุกคนมีสิทธนิะ์ที่จะเข้าถึงได้อย่าไปคิดว่าตอนนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้เป็นนักบวชเราเข้าไม่ได้ต้องรอชาติหน้าก่อนให้เรามาเกิดเป็นผู้ชายก่อนถ้าคิดอย่างนี้ก็ถูกหลอกแล้ว ใครจะไปรู้ว่าชาติหน้าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใครจะไปรู้ว่าเมื่อไรจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กแล้วจะมาเจอมร๊ะแปะเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เจอแล้วสามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนขอให้มีศรัทธาความเชื่อแล้วพยายามหมั่นศึกษาคําสั่งคําสอนและหมั่นพยายามปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ ผลก็จยิ่งปรากฏขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการตักน้ําใส่ตุม่มถ้าเราตักน้ําใส่ตุม่มปีละขันเนี่ยอีกปีปีมันถึงจะเต็มแต่ถ้าเราตักทุกวันหรือตักวันละหลายหลายครั้งเดี๋ยวเดียวไม่กี่วันก็เต็มได้อยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะศึกษาอยู่ที่ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะผู้คลองหนึ่งอยู่ที่ความเพียร พระเจ้าทรงตัดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่สมายพุทธการนี้มีคนบรรลุเข้าถึงมิมุติทุกเพศทุกวัยมีเด็กก็มีมีผู้ใหญ่ก็มีมีหญิงก็มีชายก็มีมีนักบวชก็มีคารวะผู้ครองเรือนก็มีเพราะว่าเขามีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและจากพระอริยสง์สาวุแล้วนําเอาไปปฏิบัติท่านเองพอปฏิบัติด้วยความเพียรที่แก่ก็ผลก็จะปรากฏขึ้นมาวิมุตติหลุดพ้นก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็นอย่งเดียวที่มีวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ถ้าต้องการวิมุตติขอให้เราเข้าหาพุทธศาสนา ขอให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถิดแล้ววิมุติก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริปเรนติสากลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปธิ เอชิตังปัิต um ังตุหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเทปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาวาโสยธามณิโชติอาวาโสยธาสัพพีตโยวิว c จจันตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภาวตวันตารายสุขิตายุโกภาอภิวาทานศิลิสานิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถามเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วก็จะหมดแรงพูดไม่ไหวนะงั้นไม่พูดแล้วพอเลิกแล้วแล้วก็ต้องทำอะไรอย่างอื่นต่ออีกด้วยงั้นถ้าอยากจะถามอะไรเชิญเข้ามาถามได้ในตอนนี้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือมีโทรศัพท์ก็ส่งเข้ามาทางเพจ ทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติด ต, ตามเท่าไหร่ทั้งหมดครับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้ธรรมมาน่ากุดมีผู้รับฟังจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ442 YouTube พระสุชาติไลฟ์253 YouTube ดกเร์113วิทยุออนไลน์9ครับฮา15หน้ากุด108รวมทั้งหมด940ท่านค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่นได้เลยคําำถามแรกจาก Facebook นะคะจากคุณปูเป้ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับในกรณีที่มีกายเนื้อมนุษย์สามารถเจริญสติด้วยการดูลมเพื่อให้เกิดความสงบของจิตแล้วในกรณีที่ดวงจิตนั้นไม่มีกายเนื้อแล้วจะเจริญสติให้จิตดวงนั้นสงบได้อย่างไรครับใชพุโทโธใช้คำบาลกรรมใช้ใจาบาลกรรมพุโทโธพุธโทโธ คำถามตัดภัยจากคุณชยาภาสว ด, ดมนต์บทมหาจั ก, กรพาร์ตเป็นประจำจะดีไหมคะมีคนบอกว่าจะเรียกเจ้ากรรมในเวรมากรุมลุมทําให้ดวงตกมากๆค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้หรอกการสวดเพื่อการเจริญสติเวลาเราสวดเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ระงับความคุ้งซ่านต่างๆได้แต่ไม่ได้ป้องกันเวรกรรมหรืออะไรป้องกันไม่ได้ทําให้รวยก็ไม่ได้ คำถามจากย t u b e ค่ะจากคุณเด e m u l t ติ e r อร์ Unity กราบนมัส ก, การครับขอโอกาสครับความอยากมักเป็นกริยาที่มีประธานและกรรมเช่นอยากในรูปเสียงกินโลดสัมผัสอยากอยากภาวะและวิภาวะความอยากล้วนๆที่ไม่มีวัตถุเป้าหมายของความอยากมีไหมครับขอบคุณครับไม่รู้เหมือนกันมีหรือเปล่า ค่ะจากคุณสัเพเทธรรมาอนัตตาค่ะคำถามแรกเคยฝันเห็นตนเองเกิดการมราคะเห็นผิวหนังที่ใบหน้าเปลี่ยนเป็นกระโหลกศีษะร่างกายกลายเป็นกระโครงกระดูกทันทีการมราคะหายแบบดับ สนิทอย่างรวดเร็วทันทีจึงยึดวิธีนี้เป็นแนวทางในการกำจัดการมราคาถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องวิธีไหนที่กำจัดการมราคาได้ก็เป็นวิธีถูกต้องซึ่งแต่ละคนก็าอาจจะไม่เหมือนกันคำถามที่สองค่ะ กรณีที่ใช้สื่อค้นหาการมราคะเจอการเคลื่อนของจิตแต่สติปัญญาไม่สามารถประหารได้ชัดเจนมันช้าไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกระบวนการเกิดในข้อหนึ่งลูกขอคําแนะนาําค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆพุชนอาอสุภาพไปเรื่อยค่ะตนนี้อาศุภาพเรายังช้าอยู่ ย, ยัยงไม่ทันใจยังไม่ทันกิเลค่ะ <c oughs> คำถามข้อที่สามใจเคยสงบเป็นกลางพอที่จะเจริญมรรคได้เห็นทุกดับที่ใจเกิดความตื่นเต้นที่ทุกทางใจหายจิตคุยหาปัญหามาแก้ได้หนึ่งปัญหาแล้วก็ดีใจจนหายดีใจจนหายสงบการไปปรีิเวกอยู่คนเดียวโดยยึดวิธีนี้เป็นหลักถูกไหมคะถูกต้องต้องทำใจให้เป็นกลาง ล้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาความอยากสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายลักเราก็จะละความอยากได้ค่ะคำถามจากคุณเดอมั Unity. ลติเว r ร์เซียลยูนิตี้กราบขอธรรมะพระอาจารย์แนะนำการพิจนารณาอาสุภะภายในครับขอบคุณครับกอพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนไหนก็ได้ที่เราเห็นแล้วเกิดอารมณ์ที่ขยะขยง ทำให้ความความรับความอยากจะมีร่วมเพศสัมพันธ์มันไม่มีก็ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็าดูในส่วนที่สดปรกของร่างกายก็ได้บางคนก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นโครงกระดูกก็ได้บางคนก็เห็นลำไส้แล้วก็ไม่มีไม่มีอารมณ์นะคิดนึกถึงลำไส้อะไรแล้วแต่จะมองแต่ละคนไม่เหมือนเนื้อมองมาห้าเป็นซากศพไปก็ได้ ว่าถ้าเกิดเข้าตายไปวันนี้เรายังอยากจะเก็บไว้นอนกับเขาสักคืนต่อไหมเป็นการส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คิดถึงร่างกายเป็นซากศพก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็นอนกับศพได้เพราะรักมากยังไม่อยากจะเอาไปเผายังไม่อยากจะไปทิ้งเก็บไว้ก็มีถ้าแบบนั้นก็ใช้ซากศพไม่ได้ต้องใช้สิ่งอื่น คำถามถัดไปจากคุณพรมได้ขีดใจรักษากราบนมัมศการท่านพระอาจารย์กระผมปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกขี้เกียจไม่อยากทํางานอะไรเลยอยากอยู่กับความสงบหรือคําบริกรรมพุทโธอย่างเดียวที่กระผมปฏิบัติมาทําถูกหรือไม่ครับก็ถูกแต่ต้องต้องพึ่งตนเองในการหาเลี้ยงชีพด้วยไม่ใช่ขี้เกียจยังกระทั่งไม่ไปทำมาหากินหรือถ้าเป็นพระไม่บิณฑบาตนี้ก็ไม่ถูก ก็ยังต้องมีหน้าที่ทำหน้าที่เลี้ยงป่ายเลี้ยงท้องของเราอยู่แต่ก็ใช้เวลาให้มันน้อยที่สุดในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเาเวลาส่วนใหญ่มาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คำถามถัดไปจากคุณคุณทองค่ะกล่าวนมัสการครับขอโอกาสสอบถามครับก่อนที่จะนั่งสมาธิต้องมีบทสวนบทไหนก่อนนั่งสมาธิไหมครับต้องสมาทานกรรมฐานไหมครับ คามจรไม่ต้องหรอกถ้าเรานั่งได้เลยก็นั่งไปเลยถ้านั่งหลับตาเราดูลมได้ก็ทําไปเลยแต่บางทีถ้าใจเรายังฟุ้งอยู่อาจจะต้องอาศัยการไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนไม่ต้องว่าก็ได้นั่งสมาธิเนี่น แ, แล้วก็ท่องท่องมนต์ไปภายในใจอีตีปิโสไปสวดไปใจกว่าใจจะสงบลงคลายหายจากความฟุ้งซ่านก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อค่ะ คำถามจากคุณเหล็กสมรักกวดนอกอยู่กับใครแล้วหวังดีกับเขาแต่เขาไม่รับทำให้เรารู้สึกเหมือนตัวเองผิดอยู่ทุกครั้งที่คุยด้วยเช่นขอบอกชื่ออำเภอเป็นตำบลเราบอกเราบอกให้ถูกบอกตำบลเป็นจังหวัดเราก็แก้ให้แต่เขากลับเหมือนตัวเองไม่พูดผิดเลยเราควรออกหางใช่ไหมคะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าอยู่นะอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่ไปทำไมอยู่คนเดียวดีกว่า อย่างน้อยก็ไม่มีความทุกข์กับเขาค่ะคำถามจาก a c e b o o k ค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายศีลข้อที่3มของศีล8ให้ใคลายความสงสัยเจ้าค่ะเช่นไม่ร่วมเศษการแต่อยู่ห้องเดียวกันได้หรือไม่เจ้าคะจะว่าได้ก็ได้แต่มันอันตรายเหมือนกับน้ำมันกับไฟมันก็ไม่เก็บไว้ห้องเดียวกัน เดี๋ยวมันเผลอมันพาดขึ้นมามันก็ลุกขึ้นมาเป็นไฟได้ อ, อยู่ห้องเดียวกันเดี๋ยวเกิดเผลอตอนนอนหลับอาจจะสลิปวอลขึ้นมานี่ <c oughs> ไปแตะเนื้อต้องตัวเข้าก็ได้ตอนนั้นไม่มีสติไม่รู้เรื่องแต่กิเลสมันรู้กิเลสอย่างนั้นก็อยู่ข้อห้ามดีวกว่าแล้วต้องใส่กุญแจล็อกไว้ด้วยจะได้ปล่อยเข้าไม่ได้ค่ะจากคุณครูบอยค่ะ กลับ น, นมสัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งภาวนาดูลมหายใจไปสักพักแล้วกลัวหลับเลยนึกบริกรรมว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่สักพักกลัวไม่ได้ผลสักพักกลัวไม่ได้ผลเลยพยายามนึกถึงโครงกระดูกบางทีก็รู้สึกว่าชักฟุ้งซ่านไม่สงบสักทีเลยมาดูลมหายใจอีกจะแก้ความลังเลเปลี่ยนบริกรรมบ่อยๆอย่างนี้ได้ยังไงดีครับก็ต้องพยายามยึดแนวเดียวเอาอย่างเดียวเกิดไปอย่างเดียว เช่นพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวพุโทโธนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยสติด้วยพุโทโธไปดีกว่าคำถามจากคุณเล็กสมรักกวดนอกกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกได้มาบวชชีไม่ได้ทำงานไม่มีเงินเพิ่มว่าจะไปทำบัดคนจนหนึ่งถึงสามข้อบอกห้ามนักบวช ทำบัตรคนจนบอกห้ามนักบวชลูกเลยไม่ทำถ้าทำเท่ากับมุสาแต่แม่ชีที่นี่ทำเยอะมากอย่างนี้เรียกว่าผิดไหมเจ้าคะใครบอกว่าทำไม่ได้นะไม่มีใครบอกเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเขาจะให้ทานเรารัฐบาลสงสารเราเขาจะแจกเงินให้กับเราเราก็ไปรับได้เราเป็นขอทานอยู่แล้วอย่างพระก็ไปบิณฑบาตได้ใช่ไหม ญาติโยมอยากจะให้ทานพระพระก็ไปรับบาตได้รัฐบาลอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจนก็ให้ให้เงินยากจนกคนก็รับได้เราคิดว่าไม่เสียหายตรงไห น, นไม่เห็นต้องไปโกหกหลอกรวงใครเพราะเป็นสิทธิ์ของเราค่ะคำถามจากคุณกุลาบนั่งสมาธิแล้วสวดอิติปิโสภายในใจไปเลยได้หรือไม่เจ้าค้านี่คือเจริญสติหรือเปล่าเจ้าค้าสาธุ<ต>เจ้าคเป็นวิธีเจริญร่วงต้น ถ้าใจเรายังดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปภายในใจก่อนหมดแล้วเหรอโอเค okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ะเข้ามาอยู่ข้างหลังยืนใมไหมลไใ่ไหมเรื่องเรื่องการดูลมค่ะพระอาจารย์ พอดออีมีหลายท่านแล้วก็ตัวหนูเองเนี่ยปฏิบัติคราวที่แล้วมาค่ะนั่งแป๊บหนึ่งลมหายพอลมหายเสร็จมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะทำต่อค่ะก็เลยพุดโทรไป อย่างนี้มันทำให้ให้มันเสียเสียสมาธิไหมคะหรือว่าควรจะพุโทโธแต่แรกไปเลยถ้าดูลมหายก็ได้าดูลมไม่ได้ก็พุโทโธก็ได้คือพอมันมันดูลมแป๊บหนึ่งแล้วพอมันลมมันมันมันจับไม่ได้ะคะ่ะมันหายกลายเป็นเหมือนไม่มีอะไรจะทําแล้วอะคะ่ะก็ให้พุโทโธต่อก็ดูที่เดินไม่ได้เลยดูที่ปลายจมูกต่อไปไม่ได้นะมันดูดูแบบดูความว่างไปก็ได้ ก็คือไม่มีก็พยายามดูไปไม่ต้องไปตกใจใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจแล้วไม่ไม่ต้องไปควานไปควานหาลมใช่ใช่หนูควานหาลมค่ะไม่ต้องไปควานมันถ้าไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมรู้อยู่จุดเดียวแล้วก็ดูว่าเราคิดหรือไม่คิดหยุดความคิดถ้าคิดแค่นี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางทีลมบางกาจะกลับมาก็แล้วขอบคุณค่ะอาจารย์